ขอบคุณพระเจ้านะครับเรามัสักการพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับก็เป็นเดือนแห่งการเข้ า, าสู่ธรรมนะครับเป็นการเตรียมตัวของเราเพื่อเรียนรู้ในน้าพระทัยของพระเจ้าในการที่องค์พระนิษฐิตเจ้าได้ทนทุกทรมานและสิ้นผชนเพื่อไทยเราทั้งหลายนะครับไม่ทราบว่า น้องๆที่อยู่ไปเรียนใครยังสอบไม่เสร็จไหมครับบางคนยังก็สอบเสร็จแล้วบางคนก็ยังสอบไม่เสร็จนะครับทําไมเราต้องสอบล่ะครับเพื่อจะวัดผลว่าการเรียนของเราในเทอมนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเวลาผลสอบออกมาเราไม่ได้บอกว่าผลสอบใช่ไหมครับเราเรียกว่าผลการเรียนวิชา ที่เราเรียนนั้นก็เก็บคะแนนมาเรื่อยๆนะครับแลผลแล้วผลการเรียนของเราก็จะบอกว่าเป็นผลการสอบก็ได้มันนำมาถึงซึ่งความยินดีถ้าเราได้คะแนนเอหรือว่าได้เกดซีนะครับและมันก็พิสูจน์ถึงการมุขมนฑะ์ความอดทนของเราว่าเรา พยายามแค่ไหนที่เราจะได้มาซึ่งเกรดที่เราพอใจแต่ถ้าคนที่ได้เกรดศูนสองเหมือนกันนะครับบางคนได้สี่ก็ยิ้มนะครับบางคนได้ศูนย์แล้วครับถ้าเป็นระดับระดับระดับอุดมศึกษาต้องเรียนใหม่นะครับล ง, ลงใหม่แต่ถ้าระระดับมัธยมลงมาก็ไม่เป็นไรสอบใหม่นะครับ แต่ถ้าต้องเรียนใหม่เนี่ยคือหมายความว่าเราต้องเสียเวลาไปอีกนะฮะแต่การที่เร า, เอาสอบตกหรือว่าไม่ผ่านการทดสอบมันก็ทําให้เรานั้นเสียใจทําให้เรานั้นรู้สึกแย่แต่ผมเชื่อได้ว่าในการถ้าเราเรียนหนังสือการสอบตก นั้นก็ทำให้เรานั้นได้ตั้งใจใหม่อีกครั้งหนึ่งเราได้เริ่มต้นเราได้พยายามอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้คะแนนที่ดีขึ้นครับในพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านด้วยกันนี่เป็นการทดลองของออพระเจ้าที่อนุ ญ, ญาตให้องค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มานทดลองทดสอบว่าพระเยซูนั้นเชื่อฟังพระเจ้าไหม อดทนเพียงพอหรือเปล่าสามการทดลองใหญ่นั้นเราเห็นแล้วโอ้โหถ้าเรามีสิทธิอำนาจอย่างนี้เราจะใช้อำนาจรึเปล่าครับสามารถที่จะสั่งก้อนหินให้เป็นขนมปังอิ่มทิพย์นะครับไม่ต้องอิ่มทิพย์มีอะไรก็สั่งให้เป็นอาหารได้นี่คือสิทธิอำนาจที่มี ถามว่าพาระเยซูทาได้ไหมครับอานาจยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับพระองค์ทำได้พระองค์เป็นเป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าตรัสสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้น ไ, ไหมครับแค่จะสั่งก้อนหินให้เป็นขนมปังนี่มันโหโจิบจิบเลยนะครับแต่สิ่งที่พระเยซูตอบสนองต่อการทดลองของ มานก็คือว่าพระองค์ไม่ได้ตอบสนองตามความต้องการของมานพระวจนะของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติในบทที่8ดข้อที่สามพระเยซูก็แม่นพระกัมพีนะครับตอนนั้นยังไม่มีพระธรรมมาทิวนะครับพี่น้องครับพระธรรมมาทิวมีมาหลังจากพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์แล้วนะฮะในบทที่มาทิวบทที่สี่ข้อที่สี่นั้นมาจากพระเยซูคริสต์เจ้า ใช้จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่แปดข้อที่สามฝ่ายมนุษย์จะบำรุงเลี้ยงชีวิตหรือว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่เขาจะอาศัยสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระเยเจ้าใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องไม่ได้ใช้เพื่อตามใจตนเองแล้วหมันก็ชวนพระเยซูปไปอีกนะครับคราวนี้ยิ่ง ใช้พระสัญญาของพระเจ้าด้วยนะครับว่าในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระเจ้าจะไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินถ้ามีอันตรายพระเจ้าจะใช้ทูตสวรรค์มาอุ้มท่านโอ้โหพี่น้องครับถ้าเราได้ยินพระว จ, จนะตอนนี้ตอนที่เรากําลังเหน็ดเหนื่อยนี่มันชื่นใจนะครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าก็สั่งมาว่าอย่าทดลอง พระเจ้าของเจ้ากับพระเยซูและมารมันก็รู้ว่าพระเยซูคิดนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นะฮะและอันที่สามมารพาพระเยซูไปในที่สูงนะครับคราวนี้พระเยซูเองพระองค์ก็รู้ว่าวัตถุประสงค์อันสําคัญของพระองค์ที่เข้ามาในโลกนี้ก็เพื่อ จะปกครองโลกแต่พระเยซูจะสบายครับถ้าคุกเขาให้สตันหน่อยเดียวเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ต้องไปให้เขาเครียนพระองค์ไม่ต้องถูกถมน้ํำลายลดไม่ต้องโดนโมงกุฎหนามสวมไม่ต้องโดนหอกทิ่มแทงไม่ต้องถูกคนย่ะเยะ้ยและตายอย่างเจ็บปวดทรมานและอับอายขายหน้า ไม่มีใครนะครับอยากจะทุกข์ถ้าบอกว่าถ้ามีใครชวนเราไปในที่ที่หนึ่งไปเราไปทุกข์ด้วยกันพี่น้องจะไปไหมครับถ้าไม่ใช่เพื่อใครบางคนนี่เราไม่ยอมหรอกครับไปทุกข์แต่พระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้ยอมคุกเข่าให้กับมาสาตานพระองค์รู้ว่าพระองค์จะทุกข์จะทรมานจะเจ็บปวด สิ้นพระชนพระองค์ยอมที่จะเดินตามทางและเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าการเข็นคือหนทางของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ไปไม่ใช่คุกเข่าให้กับการทดลองนั้นพระองค์ไม่ยอมต่อมารซาตานและพระองค์ก็บอกว่าตรัสกับซาตานว่า <c oughs> จงยำเกรงพระเจ้าและปรนนิบัติพระเจ้าผู้เดียว พระสกิเจ้าทําไมพระองค์ใช้พระคัมภีร์ได้แม่นขนาดนี้ครับแน่นอนเราเราไม่คิดถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นผู้ตรัสพระวจนะเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ผมเชื่อแน่นอนว่าพระสกิเจ้าพระองค์ก็อ่านพระคัมภีร์และใช้และเรียนพระวจนะของพระเจ้าท่องพระคัมภีร์เหมือนกับอย่างมนุษย์ธรรมดาทั่วไป เพราะเราสังเกตว่าเมื่ออายุ12นั้นพระองค์เข้าไปในพระวิหารพระองค์ก็เข้าไปเรียนพระคัมภีกับผู้นาในพระวิหารและยังแถมยังสอบถามโต้แย้งนะครับและพระองค์ก็ชอบที่จะเข้าไปในพระวิหารด้วยนะครับในพระธรรมลูกาได้บันทึกว่าแล้วพระองค์ก็เข้าไปในธรรมศาลานะครับอ่านพระธรรมอิสยานะครับแล้วอ่านถึง ว่าพระเจ้าทรงให้ ป, ปีแห่งการโปรดปรานของพระเจ้ามาถึงและปีแห่งการแก้แค้นพระองค์ไม่พูดเน่เพราะเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ในคู่มือภาวนาเข้าสู่ธรรมนะครับยพี่น้องค่อยไปไ อ, อ่านรายละเอียดในใ น, นั้นหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โบสนะครับแนะนําวันนี้ช่วงนี้โปรโมทเว็บไซต์โบสถเรื่อยๆนะครับวันนี้บ่ายนี้ใครเช็คอิน a c e b o o k โบสถ์หรือ ย, อยังครับ เช็คอินได้นะครับจะได้รู้ว่ามีคนมาโบสถ์นะครับพระเยซูคริเจ้าพระองค์แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ก็ยังใฝ่ใจที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าใฝ่ใจที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าครับเพื่อพระองค์จะใช้พระวจนะของพระเจ้านั้นในการดําเนินชีวิตและพระองค์ชนะการทดลอง มานก็หนีจากพระองค์ไปแต่พระธรรมลูกาครับพี่น้องครับพระธรรมลูกาบันทึกว่ามานหรือว่าซาตานรอโอกาสที่เหมาะสมเพื่อจะผจญกับพระองค์อีกมันไม่ยอมนะครับมันแพ้ไม่ยอมมันยิ่งแค้นนะครับแล้วมันก็ตามที่จะออส่งความทุกข์ยากลำบากให้กับพระเยซูเรื่อยๆนะครับในสวนทิกเซมนเนในบนกางเขนแล้วถ้าใคร ได้ดูภาพนังเรื่อง The Passion of the Christ หรือว่า uh, The ร i ซนนะครับเราก็จะพบว่า uh, เรื่องราวเหล่านี้ก็จะถูกแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือการทดลองเหนือการทดสอบต่างๆเหล่านี้และพระคัมภีรก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อพระเยซูลงมาเกิดในโลกนี้พระองค์จะ สะดวกสบายพรงเชิญกับความทุกข์ยากลาบากทั้งสิน้นเกิดมาก็ก่อนที่จะเกิดก็ทุกข์แล้วครับพ่อจะไม่ยอมรับโยเซฟจะไม่รับมารีเป็นเป็นภรนรยาเนี่ยนี่เป็นความทุกข์ของลูกแล้วนะครับเป็นลูกไม่มีพ่อเกิดมาโดนใบสั่งฆ่าอกต้องหนีเราหกราเหินไปอยู่นู่นนะครับอียิปต์ เริ่มาทำพระราชะกิจก็เจอกับการทดสอบนี่หลังจากรับบัติศมาปุ๊บพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพาเข้าไปในถิ่นทุ่งลางนานเผชิญกับการทดลองดูเหมือนว่าชีวิตไม่ได้รวยด้วยกลีบดอกกุหลาบเหมือนกับเจ้าสาวที่กำลังเข้าสู่พิธีแต่งงานพระองค์เผชิญกับการใส่ร้ายเผชิญกับการทรยศ เพื่อนที่กินอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันทรยศพระองค์ขายพระองค์แล้วก็ทำให้พระองค์ต้องถูกตรึงและเสียชีวิตนี่ครับเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์จึงช่วยที่คนที่เข้าสู่การทดลองได้พระธรรมฮีบรูบทที่สองข้อสิบ8็ดสิบได้บอกกับเราอย่างนี้ว่า เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปรุษผู้ประกอบผู้รกอบด้วยความเมตตาและสัตย์ซื่อในการกระทากิจกับพระเจ้าเพื่อลบบาปประชาชนเพราะเหตุที่พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานและทรงถูกทดลองใจพระองค์จึงทรงช่วยคนที่ถูกลองใจได้โอ้ยขอบคุณพระเจ้าครับ เราไม่เดินอย่างเดียวดายเราไม่เราไมา่เหมือนกับอ o u Never Walk Alone <Yeah. S 1> คุณจะไม่เดินอย่างเดียวดาย <Yeah. S 1> เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเดินไปกับเราเมื่อเร า, าเผชิญและเมื่อเราต้องเข้าสู่การทดลองเมื่อเราต้องถูกตกเป็นเหยื่อครับ ต้องถูกทรยศต้องถูกทำให้อับอายต้องถูกทอดทิง้งพระเยซคริตเจ้าอยู่กับเราเพราะพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าและพระเจ้าพระบิดาก็ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์เมื่อเราต้องเผชิญกับการทนทุกเรารู้ว่าพระเยซคริสต์ทรงอยู่กับเราพระองค์เป็นที่ปรึกษามหาัศจรรย์พระองค์ทรงรู้สึกจะบปวดเหมือนกับเราครับ พระองค์เจ็บปวดครับเมื่อพระองค์มาถึงเยรูซาเล็มและเยรูซาเล็มไม่รู้จักนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าร้องไห้น้าตาร่วงพระคัมภีร์บันทึกสามครั้งที่พระเยซูคริสต์น้ำตาไหลนะครับเรื่องตอนที่ตอนนี้ที่พระองค์เศร้านะกันแสงเพราะเยรูซาเล็มไม่รู้จักอ่าหายนะไม่รู้จักตนเองนะครับพระองค์อ่าน้ําตาไหลตอนที่ ลาซาลาตายที่เขาเหล่านั้นไม่ไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ไม่ไว้วางใจในพระเจ้าและพระองค์น้ำตาไหลอีกครั้งหนึ่งคือตอนที่พระองค์อธิษฐานนะฮะด้วยน้ำตาน้ำตาของพระองค์นั้นทะลุทลวงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแม้ทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ที่พระองค์มีนั้นจะกลายเป็นศัตรตูตอพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ยอมพ่ายแพ้กับการทุกข์ยากกับการทดสอบกับการทดลองนั้นพระองค์เงียบพระองค์สงบและพระองค์ให้สิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่พระองค์ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของการทดลองต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับเราเองก็สามารถที่จะ เดินตามอย่างของพระเยซูคริสตเจ้าได้พระองค์ทำอย่างไรครับพระองค์ใยใจที่จะใช้ชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าพระองค์ใยใจที่จะไขว้ขวคนว้นคว้าพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ตายพลังมีพลังอยู่เสมอมีพลานุภาพแทงทะลุในความคิดจิตใจสามารถที่จะ วิธีใช้ความคิดของเราได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นกฎเกณฑ์เป็นพระบัญญัติเป็นข้อทดสอบเป็นกฎหมายเป็นหนทางเป็นพระบรญชาของพระเจ้าที่เราจะเดินไปในชีวิตประจําวันเมื่อเราเข้าสู่ธรรมนั่นคือว่าเราเข้าสู่การเรียนรู้ในพระวจนะของพระเจ้าและเข้าสู่การ ทบทวนชีวิตอีกครั้งหนึ่งในการติดตามพระเจ้าเราสำรวจการเชื่อฟังของเราเราสำรวจการดำเนินชีวิตของเราเราสงบเราสารภาพเมื่อเราเห็นให้พระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นกระจกเงาที่จะสะท้อนชีวิตของเราเราสารภาพกับพระองค์ขอการเริ่มต้นกับพระองค์ขอการ สถิตอยู่แล้การพึ่งพาในพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าพระสุริย์เจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่โหดร้ายแต่พระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่เสมอนะครับและการที่เราอยู่ในพระองค์นั้นทำให้เรานั้นมีประสบการณ์กับพระองค์อย่างพระองค์และสามารถที่จะก้าวผ่านอย่างก้าวที่เราทุกข์ยากลำบากนั้นได้ ไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยที่ไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นบางทีคนอื่นอาจจะเจอหนักกว่าเราเราอดอาหารเราหิวแต่อาจจะมีคนที่หิวมากกว่าเราเพราะว่าเขาไม่มีจะ ก, กินเรามีแต่เรายอมสละที่จะหิวเพื่อเรียนรู้กับชีวิตที่ หิวของคนอื่นเรียนรู้ชีวิตที่อดอยากของคนอื่นเราเรียนรู้กับพระไทยของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคไม่ใช่จนกว่าที่เราจะออกจากโบสถ์หรือว่าจนกว่าที่เราจะเลิกพระองค์แต่จนกว่าจะสิ้นยุค ก, การมีชีวิตที่อยู่ในพระ ในพระเยสคริสต์นั้นหมายความว่าเราดำเนินชีวิตในประสบการณ์ส่วนตัวของพระเยสคริสต์อย่างจริงจังไม่แน่ครับเราอาจจะถูกปฏิเสธเหมือนกับพระเยสคริสต์ถูกปฏิเสธเราอาจจะถูกเยาะเยะ้ยเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าถูกเยาะเยะ้ยแต่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเรา พระงตรัสว่าท่านละจงชื่นใจเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วนั้นชัยชนะของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็จะมาถึงเราด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจ ะ, ะเผชิญหรือว่ากําลังเผชิญความทุกข์อย่างไรพระยซคริสต์เจ้านั้นทรงอยู่ที่นั่นกับเราเพราะพระองค์ทรงวิประสบการณ์ที่เจ็บปวดเช่นเดียวกันกันกบเราครับและหนกกว่าเราพระองค์คุ้นเคยกับความเจ็บปวด คุณเคยกับความทุกโศพระองคุ้นเคยกับการทรยศการทำให้ถูกอับอายขายหน้าแต่สิ่งที่พระองคิดเจ้าแตพ่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทำนั้นคืออะไรครับพระองค์หันหน้าไปหาพระเจ้าและแม้กระทั่งตอนที่พระองค์ทุกข์หนักเงือของพระองค์นั้นไหลเป็น เลือดหยดเลือดที่ไหลออกมาท่า น, นแสดงว่าพระองค์เครียดจัดเส้นเลือดฝอยตามสมองตามหัวตามศีรษะนั้นจนปริหยดออกมาเป็นเลือดมีหมออยู่ที่นี่นะครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าแม้กระทั่งที่พระเยคริสต์เจ้าอธิษฐานบอกถ้าถ้วยนี้เลื่อนไปได้ก็ขอให้เลื่อนไปเถิดแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตาม พระไทยของพระเจ้าพระองค์ยอมที่จะเป็นเครื่องบูชาและพระเจ้าก็เห็นแก่พระองค์พี่น้องครับการที่เรารเผชิญกับการทดสอบเผชิญกับการทดลองที่ทำให้เรานั้นเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าลูกน้องลูกค้าสามีภรรยาลูกพ่อแม่ในบุคลิกของเขาในอารมณ์ของเขาที่เราอาจจะต้องตอบสนองในความเป็นที่เขาเป็นเขาพระกัมพีบอกกับเรานอย่างนี้ครับว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความเชื่อมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยที่คือจุดประสงค์ที่พระเจ้านำเราเข้าสู่ การทดลองหรือว่าพ ร, พระเจ้าอนุญาตให้การทดลองการทดสอบที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อเราจะได้เป็นคนดีพร้อมไม่ดีแตกอีกแล้วหลายคนรู้ไหมผมเองเราก็ยอมรับว่าผมก็ดีแตกเหมือนกันนะครับและใช้ก็ใช้ดีแทกผมไม่ก็พูดสำเนียงฟิลิปปินส์ดีแตกนะครับ ในความเป็นคนของเราเราก็แม้ว่าเราจะอยู่ในโปรแกรมดีพร้อมแต่เราก็พร้อมที่จะดีแตกอยู่เสมอนะครับนั้นเราต้องหันมาพึ่งพระเจ้าอาศัยชีวิตบนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันที่องค์พ ร, พระคริสต์เจ้าทรงมีความรู้สึกเจ็บปวดเพราะความทุกข์ของประชาชน พระองค์ทรงรู้ถึงความเจ็บปวดของเราครับการทดสอบที่เรากําลังเผชิญเราสังเกตว่าผู้คนมากมายก็เผชิญกับการทดสอบเหมือนกันนะครับเปโลเองได้เรียนรู้ถึงการทดสอบและแม้กระทั่งความเจ็บปวดความเดือดร้อนที่ต้องอยู่กับหนามที่อาจารย์เปโอลอบอกว่าในตัวข้าพเจ้ามีหนาม เพื่อจะให้ข้าพเจ้านั้นไม่ยโสพระเจ้าก็ให้มีความเจ็บปวดเพื่อจะทดสอบเพื่อจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ปรโรนั้นออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจารย์ปรโรอธิษฐานถึงสามครั้งเพื่อให้หนามนั้นออกจากชีวิตของท่านไปเสียออกจากร่างกายของท่านไปเสียนะครับถ้าเราอ่านพระครัมภีร์อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของสายตา นะครับแต่คําตอบของพระเจ้าคืออะไรครับเปาโลเอ๋ยเรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะมาบอกกับเจ้าเปาโลอาจจะบอกว่าผมขอฟังข่าวร้ายก่อนและกันข่าวร้ายสําหรับเจ้านั้นคือว่าเราจะยังไม่รักษาเจ้าเราจะไม่เอาความเจ็บปวดนั้นออกจากเจ้า ครับมันเป็นความจะปวดนะครับหลายๆครั้งที่เราอธิษฐานแล้วมันไม่ได้รับคาตอบหลายๆปีนะครับพระเจ้าเมื่อไหร่พระองค์จะตอบสักทีครับยิ่งเปาโลออกไปทำงานของพระเจ้าอย่างหนักหน่วงอย่างจริงจังแต่สิ่งนี้ความทุกข์ยากตรงนี้หนามตรงนี้ก็ไม่ได้ออกจากชีวิตของเปาโลไป แล้วข่าวดีล่ะครับข่าวดีก็คือว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดทของเราก็มีขึ้นที่นั่นนี่เองครับอาจารย์โปโลจึงภูมิใจในความอ่อนแอจึงขอบคุณพระเจ้าในความอ่อนแอที่ท่านมีอยู่ถ้าท่านมีแต่ความเข้มแข็งมีแต่ความกระหายท่านก็ไม่ต้องพึ่งพระเจ้าครับแต่ว่าท่านมีความอ่อนแอนั้นทําให้ท่านพึ่งพระเจ้า พี่น้องและผมเช่นเดียวกันครับที่เราต้องเผชิญกับการทดสอบเพื่อเราจะพึ่งพระเจ้าเพื่อเราจะระจญกับทุกสิ่งได้โดยที่พระเจ้าเป็นผู้ทรงนาเราในพระธรรมสดุดีบทที่85ากษัตริย์ดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าข้าพระเจ้า ส, สามารถที่จะกล้าวกระโดดไปได้โดยที่พระยาฮูวาทรงเป็นผู้นำข้าพระเจ้า อาารเปโอลูก็ใช้ข้อนี้ครับที่เราท่องได้ในฟิลิปปีข้าพเจ้าประจวรทุกสิ่งได้โดยพระองค์ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าดัางที่บอกเมื่อสักครู่นะครับมันไม่มีการทดลองใดเกิดขึ้นกับเรานอกเหนือจากการทดลองที่เกิดขึ้นกับคนทั้งปวงและเมื่อพระเจ้าทรงให้การทดลองนั้นเกิดขึ้นกับเราพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้ทางที่จะ หลีกเลี่ยงเพื่อเราจะสามารถทนได้นี่เป็นพระคุณของพระเจ้าความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีขึ้นที่นั่นพระคุณของพระเจ้าก็เกิดขึ้นที่นั่นนี่แหละครับพระคุณของพระเจ้าที่ทำให้เรานั้นมีความอ่อนแอนั้นเราจึงเข้าหาพระเจ้าเราจึงพึ่งพระเจ้าเราพึ่งพระองค์ในทุกๆโมงยามทุกๆย่างก้าวทุกๆความคิดทุกๆคาพูดทุกๆการกระทา ทุกๆการทดสอบที่เรารเผชิญชีวิตเราควรจึงเตรียมพร้อมในทุกๆกรณีเพื่อเราจะพร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่งโดยที่พระองค์จะส่งเสริมกําลังเราและองค์พระคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นห่วงเพียงแต่สาวกของพระองค์เท่านั้นหรือว่าเป็นห่วงทูตสวรรค์ เมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์หนักและขณะที่เรากำลังอ่อนแอนะครับขณะที่เรากำลังเงรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตตามพระเจ้าตามทางของพระเจ้าเป็นทางใหม่ของเรานั้นพระิ์เจ้าสอนอะไรครับสอนให้เราอธิษฐานว่าขออานุามข้าพระองค์ไปในการทดลองครับแต่ขอให้พ้นจากซึ่งเช่าร้าย ไม่ได้ ส, สิ่งชั่วร้ายนะครับซึ่งชั่วร้ายมันมากกว่าสิ่งชั่วร้ายอาจจะเป็นทั้งวิญญาณชั่วอาจจะเป็นทั้งคนชั่วสถานการณ์ที่ชั่วอะไรที่ชั่วทั้งดทั้งหลายเนะีนะ่ยซึ่งชั่วร้ายพระเยคิส์เจ้าสอนเราที่จะขอพระเจ้าปกป้องนะครับแต่เมื่อเราเข้าสูพระเชิญเราเริ่มเติบโตขึ้น พระเจ้าก็ส่งการทดลองนั้นมาเพื่อเราจะทดสอบความเชื่อของเราว่าเราผ่านหรื อ, อยังปีนี้เราผ่านอนุบาลผ่านป .1 ผ่านมัธยม6ผ่านมหาวิทยาลัยโรงเรียนรอบที่หนึ่งเหมือนเรียนรามนะครับโรงเรียนรอบที่สองและในแต่ละวันแต่ละวันพี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับเราครับ เมื่อเราต้องเผชิญกับอะไรที่ไม่เป็นที่ถูกใจเราพระเยซูกิจเจ้าทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเข้มแข็งในความอ่อนแอของเราชีวิตของพระองค์เองก็พระองค์ไม่ได้ละทิ้งหรือว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยให้พระองค์ถูกทอดทิ้งพระเจ้าอยู่จนถึงเมื่อพระเยซูกิจเจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตายชัยชนะทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงนำชัยชนะนั้นมาถึงเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันให้เราที่จะอยู่ในเปรียสคริตพึ่งพาในพระองค์ใช้พระวนาดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าบํารุงชีวิตของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะเติบโตและเราจะรับใช้และเราจะเป็นพันธกรเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้ในชีวิตของเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ที่ประสอนครับพรงทั้งหลายลเรารู้ว่าเรามีความอ่อนแอมีความบกคร่องที่เราอาจจะต้องผเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากในการดําเนินชีวิตข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยครับทั้งหลายที่จะใช้พระวจนะของพระองค์ได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เพื่อต่อสู้ห้าหันกันและกัน แต่เพื่อต่อสู้กับการทดลองต่อสู้กับมารร้ายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงช่วยขับลงทั้งหลายในกา ร, รดําเนินชีวิตประจําวันขอพึ่งพาพระคุณของพระองค์และให้พระชนะรรมของพระองค์นั้นสำเร็จในชีวิตของข้าพเจทั้งหลายสาเท่า60เท่า100รเท่าเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน